การทำเคยฟังเรื่องของเร า, เราคนที่จะรู้ตัวเรานี้ก่อนรู้อย่างอื่นมีความจะเป็นมาก <c oughs> <c oughs> นอกจากกมีความรู้เรื่องการทำมาหากินดู เรื่องระเบียบวิ น, นัยตัวบทกฎหมายลูก้การรักษาสุขภาพร่างกายลู้ตัวเองคือรู้เรื่องกิจปัญญาแลนก็เหตเุนอยูุที่ตัวเองนี้ก่อนถ้า ล, ลุกจดตัวเองแล้วก็ อันต ร, รมาจิณก็ชอบเร่องชีวิตชอบระเบียบวิไหนก็ชอบนักษาสุขภาพก็ชอบมันชอบไปหลายอย่างถ้ารวยจากตัวเองแล้วถ้าไม่รู้จากตัวเองก็ไม่ค่อยชอบมันอื่นไปไม่ค่อยรอด เพราะปัญหาอยู่ที่ตัวเราคือกายคือใจนี่วิธีที่จะรู้เรื่องตัวเราก็คือวิชากรรมฐานแต่วิชาที่รู้อักธรรมอาหานอันนั้นก็เป็นการศึกษาสากลทั่วๆไปวิชากรรมฐานนี่ วิชาที่ลัดลดตรงๆมีกันทุกคนไม่ต้องไปหาปัจจัยอื่นที่เป็นภายนอกมาเกี่ยวข้องวิชากรรมฐานก็เป็นวิชาลัดลดตรงๆคือม้ยมีสติในากาย เห็นกายตามความเป็นจริงถ้าดูมันก็ต้องเห็นแน่นอนจึงมามีสติไปในกายที่ว่าดูกายมีสติต่อไปกับกายมีกายต่อกับสติให้มันรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง มันก็จะเห็นกายเป็นสัตธว่ากายพอเห็นกายสัตธว่ากายก็ไปไกลเรื่องของกายไปไกลไปไกลขนาดไหนก็ตามได้รู้ได้สักตธ่รวอะไรที่เกิดขึ้นกับกาย ก็รู้แล้วว่ามันคือกายเป็นอาการธรรมชาตินี่คือหลักหลักสูตรเกี่ยวข้องกับกายอย่างถูกต้องเห็นเวทนาความสุขความทุกข์กกับกาย <Hey. S 1> ก็สักแต่ว่าเวทนาก็ไปไกลมากมาก เป็นส่วนมากนับไม่ถ้วนก็ศัแต่ว่าเวทนาไม่ใช่อันอื่นไม่ใช่โลดอันอื่นเป็นสุขเป็นทุกข์ก็จัแต่ว่าเวทนาหรือว่าสุขว่าทุกข์เท่า น, นั้นเห็นจักแต่ว่าไม่ใช่จตุคคลตัวตนเราเขาเห็นกิติมันคิดไปนโนป่นไปนี่ คิดได้สุรพัชจางานก็สร็แต่ว่าคิตไม่ใช่สัตว์ตัวคนตัวตนเราขรรมเห็นธรรมที่มันเกิดกับกายกับกิตเป็นอาการต่างๆเป็นความดีความไม่ความดีความชั่วเป็นบาปเป็นบุญใจดีใจล้าย ตลาดงูหรือว่าทำรรแต่แต่ว่าทรรมไม่ใช่จดบุคคลตัวตนเราเขาลู่หลอกสูตรสี่อย่างนี้เหมือนลู้ชัยภูมิพื้นที่ชีวิตของตัวเองอย่างชัดเกณฑ์แม่นยอมมันจะแสดงออกในหลักสี่อย่างนี้เท่านั้นชีวิตของเราที่เป็นลูปเป็นนาม แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็เสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มากสุข ก, ก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธโลภเป็นโลภหลงเป็นห ล, ล ง, น, ลงนักเป็นลักชังเป็นชังพอใจไม่พอใจก็ทำตามสิ่งติ่ง ต, ต่างที่มันเกิดขึ้ น, นเสียเวลามา ก, กับเรื่องนี้มากเสียเปียบมาก ถ้าเราไม่รู้นะผิดพลาดมา ก, มากเป็นทุกข์เป็นโทษมา ก, มากถ้าเราไม่รู้เหมือนเกิดเราไม่รู้แผนที่ทก็ไปไหนก็ไม่ถูกเกี่ยวข้องกับใช้งานไม่ได้เลยชีวิตต่างหลนคนจะขับรถในกรุงเทพทต้องรู้กรุงเทพทต่างรัดทาง ตองไปยังไรทางหลวนไมเวขทูเวอยู่ที่ไหนเพื่อให้มันประหยัดเหมือนคนที่มาทำงานกรุงเทพไม่ใช่คนขับรถต้องสอบสอ บ, สบให้มันลัดถ้าใครรู้จักทางลัด ดีวกคนอื่นก็เอาคนนั้นเพื่อไม่เสียเวลานี่คือภูมิประเทศของกรุ ง, งเทพเราใช้ได้ไแต่ถ้าภูมิประเทศภูมิประเทศชีวิตของเราคือกายคือใ จ, จคือลูกกับนามนี่เป็นภูมิประเทศเพื่อเปเ็นฐานที่จะทำงานให้มันสำเร็จเพื่อให้เกิดความสะดวก จึงมาเรียนกรรมฐานเนี่ยวิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาจำเป็นมากมากไม่จำเป็นสิ่งที่สมควรสิ่งที่ไม่สมควร เราเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สมควรไปทํากับสิ่งที่ไม่สมควรสิ่งที่สมควรไม่ทําพลาดไปทั้งชีวิตก็มีเนาะผิดพลาดเห็นชุกในสิ่งที่สมควรไม่สมควรนะสิ่งที่ไม่สมควรเห็นสมควรแต่นทารวไมโลนะไม่สมควรที่ทุกข์ก็ไปทุกข์ ไม่สมควรที่จะโกรธก็ไปโกรธไม่สมควรที่จะหลงก็ไปหลงเป็นความผิดพลาดถ้าเป็นเอาบัติก็ต้องเอาบัติเป็นโทษเหตที่เกิดต้องเอาบัติที่ไปผิดพลาดเห็นสมควรในสิ่สงที่ไม่สมควรเห็นสิ่งที่ไม่สมควรว่าสมควรนี่ก็เป็นเอาบัติ อธรรมคือความผิดพลาดทางจิตวิญญาณไปหลงกับความหลงไปหลงกับความโกรธไปหลงกับความสุกความทุกข์ไปหลงกับความอะไรต่างๆมากมายกิเลสหนหาราคาที่ไม่จำเป็นบางอย่างก็เป็นวัตถุสิ่งของบางอย่างก็เป็นนามธรรม เดืดจากตัวเราที่มันควรจะรู้ก่อนอันอื่นแม้แต่ความคิดที่เป็นความคิดที่ศักดิ์ตัวความคิดก็ไปเสียเวลากับความคิดไปสุขไปทุกข์กับความคิดเป็นทุกข์กับความคิดอย่างเนี้มีมากนะศักดิ์ตัว่าคิดไม่ใช่ศัตรูคนตัวตนหลงขัว ถ้าเราเห็นอย่างนี้ด้วยเห็นกายสักตว่ากายเวทนาสักว่าเวทนาจิตสักว่าจิตธรรมสักว่าธรรมมันก็บอกคืนอะไรต่างๆได้เมื่อเราสาธิย่อยพระสูตรลู่ตามความเป็นจริงกลัวหลงไม่จริงกลัวมไม่หลงมันจริงลู่ตามความเป็นจริงเช่นนี้ บอกกันเด่นอันไหนที่มันมยิงสลัดคืนจาโคนิสโตปฏินิสโตนิชิอย่างที่เราสาแัยพระสูตรบอกคืนจาโคสลัดออกสลัดทิ้งเปินิจสโคไม่ให้มีที่ตั้งให้มันหมดไปอะไรที่มันไม่ ไม่สมควรไม่มีที่ให้บางไม่มีที่ให้ตังจะมาเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดข้อยกเวทนากับขีเกับความคิดกับธรรมผิดถูกอยู่ตรงนี้ไม่ได้เห็นแง้งล่าได้รู้เฉพาะดังแล้วรู้แก้งแล้วตามความไม่จริงแก้งมันแก้งจริงๆนะควงหลงไม่จริงควงไม่หลงมันจริง ตามความเป็นจริงไปอย่างนี้หลงในกายหลงในเวทนาหลงในจิตหลงในธรรมควงมโกรธไม่จริงความไม่โกรธเหมันจริงรู้ตามความเป็นจริงเหตที่มันทําให้หลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราได้ทําแล้วทําได้แล้วได้ทําแล้วได้ทําได้แล้ ว, ด, ด, ลวดูสิ ป, ปล๊อยไปไกลนั่นเ่ง ไปไกลมากแต่รู้ภูมิปรเทศมีโอกาสช น, นะฆ่าศึกความเจ็ความเจ็บ ค, ค, ความตายได้จนะได้ผลิตช น, น, นะมานทั้งหลายไฟทั้งหลายได้มารู้จักตัวเองรู้จักรูปจักนามรูปธรรมนามธรรมเมื่อรู้จักตัวเองรู้จักรูปรู้จักนาม รูปมันบอกนามมันบอกสรุปแล้วมันบอกที่เขาเรียกว่าสุขว่าทุกข์มันเป็นอาการธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นนาการที่มันเกิดขึ้นจากรูปจากนามถ้ารูปนามไม่มีอาการเราจะได้บนเรียนที่ไหนเป็นมนุษย์ตรงไหนกันนั้นไม่รูปไม่ น, นามเราจึงต้อง ได้ปัญญาได้ความฉลาดพ้นไปจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีรูปมีนม้ำมันจะทำความดีมันจะรับความชั่วไม่ได้มันมาให้เราได้ใช้มันจริงๆรูปทำนาททำให้เราได้ทำดีให้เราได้ละความชั่วได้ไม่ต้องอาศัยอันอื่นฝ่ายนอก ที่มันเป็นอารีอัซซ์ชีวิตของเราควรจะมีผู้มีปัญญาลองศึกษาดูไม่ต้องไปเชื่อใครสนใจมากๆชีวิตของเราเนี่ยรู้ตัวเราในโกนรู้คนเด่นมันก็จะต้องทะลุทะลวงไปได้ข้ามได้ทุกเรื่องทุกราวใครๆก็เหมือนกัน มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเหมือนกันหมดมีความเกิดแก็เจ็บตายเหมือนเกิดหมดแต่รู้ตัวเราก็รู้คนอื่นเมื่อรู้ตัวเราก็รู้คนอื่นก็เกี่ยวข้องกับตัวเราเกี่ยวข้องคนอื่นน่าอย่างถูกต้องอเอากายเป็นระเบียบไวไหนไปเลยไม่มีเป็นอะไร แล้วทุกคนมาลู้ตัวเองเอ๋อเป็นระเบียบกายเป็นคนคนเดียวกันได้ถ้าลู้ระเบียบไปไหนก็ลู้อะไรมาเป็นพวงคบบวงโจรไปเลยความรำไรชอบผู้เจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบมีสติไ้ชอบมีสมาธิชอบไปกันหมดเลยทีเดียว จึงนี่ว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือพโดยให้อวาดเรื่องนี้ว่าไว้ชัดเจ็นเหลือเกินรู้ตัวเองอ่ะรู้ภูมิเทศรู้รูปร่น้ำรู้ความไม่เที่ยงรู้ความเป็นทุกข์รู้ความไม่ใช่ตัวตนของรูปของนามมันเหมือนยิงได้ไกลไบไกลตลอดไปนะ กำหนดในความไม่เที่ยงกำหนดในความเป็นทุกข์ ก, กำหนดในความไม่ใช่ตรรุลนปล่อยไก่ปล่ไก่มากนอกจากรูปจัง้ําตกอยู่ในความไม่เที่ยงในความไป็ทุกข์ทั้งหมดโตนปล่อยภูเขาแม่นะ้ําอะไรต่างๆมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนอะไรนั้นเกิดขึ้นแล้ ว, ลวเหตุปัจจัยมันมีแล้ว แต่เมื่อวานก็ไปดูไฟไหม้คนวัดที่เป็นนักปฏิบัติทั้งผัวทั้งเมียทั้งลกูกโรงงานไหม่หมดทั้งหลังของที่ผิดในโรงงานเป็นหลายร้อยตันว่าจะส่งออกโอกไวไหม้หมดไม่มีอะไรเหลือ หมดไปประมาณสักกี่สิบล้านนั่นว่าอะไรก็ไมยเที่ยงแต่เจ้าของเขาก็ถามใจลายว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่เหตุไม่ไปใจไม่แช่โคะเข็นเบนไผ่เยี่ยวกับอะไรก็เป็นอย่างนั้นมีไฟฟ้ามีเครื่องโยนโขนลอยมากมายผลิต สินคาสงโอ๋มไม่ใช่ไม่ใช่โชคสาระสิเหตุไรอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้สร้างมันมันเป็นกินอย่างนั้น มันตกอยู่ในขัวไม่เที่ยงตกอยู่ในขัวเป็นทุกตกอยู่ในขัวไม่ใช่ตัวตนแม้แต่รูปมองเราเนี่ยนามที่เราอยู่เนี่ยมันก็หยุดอันที่มันครอบงามอยู่เนี่ยมันอยู่ใต้สาำมันลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนยิงได้ไก่กําหนดแม่นจะ่จุดนั้ เวลาาดมันไม่เที่ยงเวลาใดมันเป็นทุกเวลาใดไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นสะดวกสะดวกในความโลกสะดวกในการใช้ชีวิตถ้าเราไม่โล้ไม่สะดวกเราติดขัดกันมาสะดุดกับชิงเรานี้ยมาเป็นทุกข์เสียพกเสียใยเห็นทุกข์เป็นโทษเพราะความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็มีอยู่นี่ เหมือนกับโอ้เจ้าว่ายิงได้ไกลได้ปัญญาเห็นแย้งในความไม่แย้งความเป็นทุกข์สามมันลักษณะนี้ยิงได้ไกลม า, ากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตกอยู่ในสภาพแช่นี้เวลาใดเมื่อเกิดขึ้นก็รู้ลเลยยิงได้แม่แล้วแม่ที่สุดเลยมาลูจากตัวเองเนี่ย มันก็ใช้ชีวิตอย่างดำเนินชีวิตอย่างชอบไปหลายอย่างจะได้โอกาสได้ช่วยตัวเองได้ช่วยคนอื่นไม่มีใครมาบังครับมันเป็นไปเอง เมื่อเราศึกษาเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงเปลี่ยนนี้ก็บอกคนอื่นได้ไม่บอกก็ทำให้ดูได้ไม่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นได้ไม่สร้างปัญหาให้แจ อ, อะไรอะไรในวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ วิชาที่ครบวงจรสำหรับดเนินชีวิตของคนที่เกิดมาร่วมโลกเนี่ยควรจะศึกษาควรจะปฏิบัติมันก็ไม่ยากไม่เดือ ว, วิสัยที่จะทำไม่ได้ทำได้ทุกชีวิตถ้ามีรูปมีนามมีรูปมีนามก็เหมาะที่จะมีสติ มีกายก็หมอที่จะมีสติใช้อย่างกายมีสุขมีทุกข์ก็หมอะที่จะมีสติมีความคิดจิตใจก็เหมาะที่จะมีสติมีธรรมที่มันเป็นกุศลเป็นบาปาาก็ควรที่มีสติเป็นสิ่งกําหนดเหมือนร ม, มันวิ่งมันตรงหยุด อะไรที่มันมีที่มันที่จะเชื่อได้มันต้องไม่มีสิ่งใดที่ใช่อไม่ได้เ <c oughs> ช่ได้มีกายก็เชื่อได้ถ้าใช่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องของกายมีจิตก็เชื่ได้ ถ้ามสุขที่จิตก็ไม่สุข ก, ก็ได้มีสติถ้ามันทุกข์ที่จิตก็ไม่ทุกข์ก็ได้มีสติสุกขก็ไม่เป็นผู้สุขเห็นมันสุขก็ม <c oughs> ีสติเป็นอย่างนี้มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์สติเป็นอย่างนี้เราใช้ได้ใช้มันสาเร็จประโยชน์ในความทุกข์ช่ยได้ไม่ทุกข์ มีลักษณะของสติคือมันใชาจับความสุขความทุกข์มาใชา้ให้สําเร็จประโยชน์ได้ผลในกายก็เหมือนกันในความคิดก็เหมือนกันมันก็ใช้ได้อย่างนี้ไม่ใช่เจาะเชื่อไม่ได้ถ้าหลงเชื่ไม่ได้เลยหลงกายก็ใชื่ไม่ได้ หลงในความคิดก็ใช่มาหน่อยหลงในความสุขความทุกข์ก็ใช่มาได้ให้หลงเป็นหลงมันใช่ม่ได้ให้หลงเป็นไม่หลงก็ใช่ได้สําเร็จประโยชน์ปฏิบัติได้ <c oughs> ให้ผลได้ไม่จํากัดการผู้ปฏิบัติต้องทำอเอาเอง ไม่ใช่คนอื่นมาช่วยมัน ก, ก, ก็เกิดความสะดวกไม่มีการเรียกร้องให้ใครมาช่วยนี่วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ใช่ส่วนตัวเป็นส่วนตัวแต่เป็นส่วนรวมสองส่วนตัวแต่เป็นส่วนรวมแต่ใช่เป็นแต่ใช่ไม่เป็นก็เป็นส่วนรวมเหมือนกัน ถ้เาเป็นคนไม่ดีก็เป็นส่วนรวมของคนทาให้เกิดปัญหาต่อบ้านต่อเมืองถ้าเราเป็นคนดีเราใช่เป็นก็เป็นเป็นส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อผู้ต่อคนต่อสรพจริงอีกมากมายก็ให้มองอย่างนี้นี่คือชีวิตของคนเรา คืวิตตัวเราเป็นอย่างนี้อย่างเรี้ว่ามนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติแต่ใช่เป็นก็เป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติแต่ใช่ไม่เป็นก็เป็นนรกเป็นเปรตเป็นสุลกายเป็นเตระชาน มีจริงๆนะไม่เหมือนสัตว์ต้นอื่นมนุษย์มันมีนรกมีเปรตมีชีวิตกายในความหลงอยู่ในภูมิหลอยภูมิในความหลงในความโกรธก็มีภูมิอีกร้อยภูมิในความทุกข์ก็มีภูมิอีกภูมิมันต่ําในความไม่โกรธก็มีภูมิ อี ก, กนันเรื่องคติอีกกั่นเองนั่นเกิด อ, อยู่ที่คนเหล่าที่รูปที่นามที่กายที่ใจนี่อย่าปล่อยทิ้งมีสติประบาทไปไหนประมาทต่คว่มหลงก็ไปไกลนะแล้วมันหลงเล่าดีจะได้ไม่ประมาทแค่จุดด่อนตรงนี้จุดด่อนคือคว่มหลง มาให้เราได้เป็นงานเป็นการงานของเราันหลงข้าหนึ่งเปลี่ยนไม่หลงรู้ขึ้นมาการงานเกิดขึ้นแล้วได้ประโยชน์จากความหลงล้อมผิดเป็นครูวงมรู้เป็นตีวงมชั่วเป็นตาไม่นีเป็นนั้น ชั่วดีก็เป็นตาในชีวิตของเราเนยบางทีบางคนไปศึกษาปฏิบัติติดนะติความชั่วเป็นตาบาปคิดไม่เป็นความหลงออกหน้าความโกรธออกหน้าความทุกข์ออกหน้าความพอใจความไม่พอใจออกได้มีบ้างไหมตาเห็นพอใจ ตาเห็นไม่พอใจหูได้ยินพอใจหูได้ยินหูได้ยินไม่พอใจใจคิดขึ้นมาเป็นสุขใจคิดขึ้นมาเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้รูปบนนามจะป่วยทิ้งอย่างไั้นอิความทุกข์เกิจากความคิดไม่ใช่เล็นกน้อยหรต่ำลงต่ำลงเหมือน หัวน้มไหลที่สูงลงสู่ที่ต่มจนออกมาขึ้นงอมเป็นคนรวมทุกท่องชักัดเลยทีเดียวไม่ใช่เกิดมาเป็นทุกเป็นศกกร์หลายชีวของเรามันมีค่ามากจึงควรจะทำงานอันนี้นนกรรมาฐานก็ทำไม่จบซะมีความรู้ในเป็นเครื่องมืออย่างดีเลยทีเดียว เงินกดเจอดอกเอก็้องไปเทียนว่ารู้สึกตัวเดงไม่ไปหาใข่ไม่คยขอขับไข่เงินกันหมดมาให้โทกเราแล้วความรู้จึกตัวเราไม่ค่อยใช้กันยุทธศาสตราที่ผ่านมาถึงบทนี้เราใช่อะไรคิดของรูปของนามใช่หลงหรือว่าใช่ลู่ใช่สุกกันทุกหรว่าใช่ไม่สุกงาทุก สำรวจตวตาดูตัวเอง ด, ดีมันจะกระตือหรือล่นขอโทเรามันตกอยู่ในภาพแค้นเอแวกว่ายขึ้นมาเหมือ น, นเคยไปเคยไปเล่นน้ำทะเลไหมให้ขีวิเอาพาไปจอดเล่นน้ำนนั น, นามัน <c oughs> เาให้สุชีพนะ เอาชูชีใส่ชู้ชีพอ่าชีวกดลงไปมันก็พาลอยไปนอนจะบายไปบ่อยขึ้นมันสัดไปเองแล้วก็นอนอา่าถ้าถ้าอยากลงไปดูข้างล่างว่วมน้าลงว่อมน้าลงก็เลือนตาดูก็เห็นอา่า เห็นอะไรเห็นปากาหลังเด้อเห็นปากกาหลังเห็นงูปลาเห็นอะไรต่างๆเห็นงูก็มีนะงูมัยงลอยมาตามเราเลยฮ่าอ่งูตัวก็ขดอยู่มางทีก็ตัวก็วางยาวๆแล้วก็เพลินไปดูไปพอมองหาฟังเหรออุ้มหนูไก่พลังเราอุ้ยมันพัดมาไกลเราเนี่ยต้องค่อยๆถ่อคืนมา นี่ตกไปไกลขึ้นวนซัดไปซัดไปเพราะชีวิตของเราก็เช่นกัน <c oughs> วิหนาทีหนึ่งก็ผ่านไปแล้วชั่วโมงมันก็ผ่านไปแล้ววันนี้ก็จะผ่านไปอ <c oughs> ีกนะลู้ตัวอย่างนี้นก่อน <c oughs> ต่อไปลู้เวลาเนี่ย <c oughs> เวลานี่สำคัญที่สุดครัต้องใช้ชีวิตให้ดีๆ ด, ดูซิทำนางไงให้เป็นประโยชน์มีสติ อย่าไปใช่กันให้หล ง, ลงอย่าชวนกันให้หล ง, ลงาชวนกันให้ลูกตัวเราก็ชวนเราให้ลูกผนขวยที่จะลูกลองดูซิน ะ, ะวิชากรรมฐานเนี่ยโอเฉอันเขา้ารู้สึกอ่ออาอเถียนอกรู้สึกมีใครอย่าบังคับกันตรง น, นี้น ะ, ะให้โอกาสกันเถอะพวกเรา ในเวลากินก็ไปกินเหยื่อฉันอกรู้สึกคู่เฉินเขารู้สึกเนี่ยแคเวลานี้วินาทีนี้ตามกําลังของเราการใช้ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้อ้างอะไรเลยวหนุ่มว่าแกว่านักปวดพล ว, วาตไม่ได้อ้างเลย เอาน่ะเดียวกัน่ะเดียวกันลู่กู้เขียนเข้ารู้สึกเยื่ขียนออกรู้สึกมันเดินไปเดินมารู้สึกนั่งอยู่ก็รู้สึกนอนอยู่รู้สึกยืนอยู่ก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกผิดตารู้สึกคืินน้อมลอยรู้สึกคู่เหยื่อเกินไหวรู้สึกจักาย จะความคิดก็รู้สึกมันคิดไปไหนถึงบ้านช่องคงเทพที่ไหนกลับมารู้สึกได้เหมือนกันมันแสดงว่าตัวไหนกายเวชนาคิดทรมันจ ะ, จะหจะจะลงอยู่สี่อย่างนี้หรือด่านความหลงรือเนี่ยเอารู้สึกได้ทั้งหมดเลยเป็นดานเฮ้ยหลงอยู่ตรงนี้นบทนี้ไม่หลงแน่นอนแร้ นเจไม่หลงสี่ด่านนี่แหละนี่เหยไขคุณแจเจโซหลุดไปไกลนะดูดีๆนะได้บทเรียนจากสี่ด่านเนี่ยสีสูตรเนี่ยสูตรกายสูตรเวทนาสูตรความคิดสูตรทำมีอยู่ในรูปในนามเลยถ้าได้เห็นแล้ว ไม่ตรงเรียกว่าสุขไม่ต้องเรียกว่าทุกข์เป็นอาการเล็กๆน้อยๆโบกเขนได้ง่ายๆจนไม่เป็นอะไรจนไม่เป็นอะไรทําให้ไม่มีทําให้ไม่เป็นจะโคสลัดสลัดเขนนีน่ศตรูทําห้ไม่มีที่ตั้งทำให้ไม่มีไม่เป็น ยิ่งใหญ่นะจาโคเป็นเจ้าของทำให้ฉลกดคืนเป็นเจ้าของทําไม่ไม่มีที่ตั้งเป็นเจ้าของมีสิทธิเลยชีวิตที่ไม่เป็นอะไรชีวิตไม่เป็นอะไรมันมากนะมากกว่าการเปลี่ยนนะการเป็นมันครับครับแคบแคบจนจนนะ อันเป็นเป็นสุขก็จนอยู่ในความสุขน้อยน้อยเท่านั้นเองเป็นทุกข์ก็จนในความทุกข์น้อยน้อยเท่านั้นจนขอบหมาจนกล่องคนที่มีสุขมีทุกข์ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรมันกว้งใหญ่ไพสารงากหมายฟุ้งเหมือนกันนะก็ไม่เป็นอะไร หุงอ้ยมากที่สุดเลยไหนเขาว่าความสุขไหนเขาว่าความทุกข์อยู่ที่ไหนมันไม่เป็นอะไรมันโอ้อิสระภาพนะขอโทษขอไปนอนอยู่ลงพปาบานี่เอ้ยอเรื่องเงืพูดเรื่องคนเจ็บคนป่วยคนไข้อมันสุขมันทุกข์ตรงไหนเห็นความ มันไม่ม่นคิดเห็นเพื่อนที่นอนอยู่หลงพิบานด้วยกันน้องบาลจุลาหมอก็วิ่งหมอลงไปบานไม่เดินมันแ้เนาะวิ่งอาจัดๆๆๆๆๆรีบหมอที่ก็หมอก็รีบมาเรายังหายย่งรีบหลวงวิ่งอ่ะคนไข้ เขาก็ทำกับเราก็วิ่งด้วยกันเหมือนกันน ะ, นะถ้าไม่วิ่งไม่ทันนะตอนนี้ก็มัวเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่ทุกไหนกันถ้ามันไม่เป็นอะไรมันก็กว้างใหญ่ไพศาลนะวงบ้งเลยทีเดียวเลยกุ้งสักอนในความไม่เป็นอะไร เขาฟุ้งซ่านในความคิดเราฟุ้งซ่านในความไม่เป็นอะไรเข้าใจไหมแม่ชีวิตอ่ามีความแต่จะบอกคนแต่มันบอกไา่ไดแล้วก็นอนเเดงแม่ ง, มงกระดูกกระดิกไม่ได้แต่ฟุ้งซ่านไม่เห็นมันสุขมนทุกข์ที่ไหนไม่เป็นอะไรแนะเนี่ยรู้อย่างนี้ มันจึงมันจึงเป็นสมบัติของเราไปหลงในความสุขแคบๆหลงในความทุกข์แคบๆความพอใจก็แคบแความไม่พอใจก็ครับๆแคบๆไม่กว้างใหญ่ไปสสรเป็นอัปปมัญญามิตรภาพไม่มีความสุขก็มิตรภาพไม่มีความทุกข์มิตรภาพไม่มี ชิมอยู่ในนี้ไม่ออกไปเขียแผลแจกไค่นะโบ้เอาสมควรจะเวลากราบพระพรมกัน